สำหรับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแถวย่านพุทธมนทนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ บ้านของรุ่นพี่จะอยู่ข้างๆกันกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะว่าสร้างเสร็จแล้วก็จะขายนะคะแต่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้มันก็ขายไม่ค่อยจะได้ส่วนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างลึกแล้วก็เปี่ยวมากแท็กซี่กับวินม Зд อเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปค่ะบ้านของรุ่นพี่คนนี้ก็จะต้องใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านนี้แล้วก็อ้อมไปข้างๆหมู่บ้านซึ่งก็จะเป็นสวนแล้วก็ต้องผ่านสวนเข้าไปถึงจะเป็นหมู่บ้านนะคะ แต่เพราะรุ่นพี่คนนี้ไม่กล้าใช้เส้นทางที่จะเข้าไปในหมู่บ้านก็เลยใช้วิธีพายเรือข้ามฟากไปจากถนนใหญ่ข้างนอกก็สามารถพายเรือไปจนถึงบ้านได้ค่ะก็เลยลงไปทางหมู่บ้านนิดหน่อยก็จะมีเขื่อนที่เรียกกันว่าประตูผีจะเป็นทางน้ำหักศอกตรงประตูเขื่อนน้ำก็จะวนอยู่กับที่แล้วก็ดูดลงไปข้างล่าง ตอนนั้นรุ่นพี่เลิกงานกลับมาถึงก็เห็นพวกกู้ภัยมากันหลายคันก็คิดนะคะว่าสงสัยจะมีคนตายอีกแล้วล่ะรุ่นพี่ก็เลยเดินเข้าไปถามบอกว่าพี่พี่มีคนตายหรอกู้ภัยก็เลยตอบไปนะคะบอกว่าใช่เรือถูกน้ําดูดเรือก็เลยไปกระแทกประตูเขื่อนแตกแล้วกู้ภัยที่จะลงไปช่วยเนี่ยต้องใช้เชือกถึงสองเส้นใหญ่ๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะน้ำมันจะดูดแรงมาก ศบไปจมอยู่ใต้ประตูเขื่อนเพราะว่าน้ำไม่พัดขึ้นมาค่ะแต่ว่าจะม้วนวนอยู่ข้างล่างตลอดเวลาและนี้ก็ไม่ใช่รายแรกแต่ว่าเป็นหลายรายที่เอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นทางหักศอกถ้าหลุดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวน้ำก็จะดึงเข้าไปตีกับประตูเขื่อนแตกหมดทุกลำนะคะก็เลยได้มีคนออกมาเตือนค่ะบอกว่าเวลาน้าขึ้นเนี่ยห้ามภายเรือไปตรงนั้น แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนที่รุ่นพี่เลิกงานก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลับมาตอนดึกซึ่งตอนเช้าของวันนั้นคุณนะ้าก็ได้กำชับกับรุ่นพี่บอกว่าวันนี้อย่ากลับดึกนะเพราะว่ามันเพิ่งจะมีคนตายใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เขื่อนตรงนั้นเนี่ยมันจะเอาอีกสักกี่คนมันถึงจะพอพอรุ่นพี่เดินมาถึงที่เรือนะคะก็ปลดเชือกผูกเรือแล้วก็พายเรือกลับ ช่วงที่ผ่านสวนมะพร้าวเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคนพายเรือตามหลังมารุ่นพี่ก็อุ่นใจนะคะว่ามีเพื่อนร่วมทางพอจังหวะที่รุ่นพี่ยกไม้พายขึ้นมาบนเรือเสียงพายเรือข้างหลังก็เงียบค่ะพอเอาไม้พายจ้วงลงไปในน้ําก็ได้ยินเสียงพายเรือจากด้านหลังเหมือนกันรุ่นพี่ก็เลยเอะใจว่าเอะ๊ะมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่ได้หันหน้าไปดูนะคะก็เลยพายเรือไปจนเลยสวนมะพร้าวไปอีกนิดนึง อีกไม่เท่าไหร่เนี่ยก็จะถึงบ้านแล้วรุนพีก็เลยหันหลังไปดูค่ะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนลงศพค่ะแล้วก็ใช้มือที่ใหญ่กว่าคนปกติเนี่ยนะคะกวากลงไปในน้าแล้วก็ค่อยๆพายลงศพไล่หลังเข้ามาเรื่อยๆรุนพีก็มองแบบตาเหลือกเลยละค่ะแล้วก็ตัวแข็งทื่อทาอะไรไม่ถูก คุณน้าของรุ่นพี่ที่ยืนรออยู่ตรงศาลาท่าน้ำก็รีบกระโดดลงน้ำแล้วก็ลากเอาเรือของรุ่นพี่เข้าเทียบศาลาแล้วก็รีบลากแขนรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดนะฮะบอกว่าอย่าหันไปมองเองรีบขึ้นบ้านก่อนเลย คุณน้าลากรุ่นพี่เข้าไปในห้องพระแล้วก็ยกพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาให้รุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ก็นั่งกอดพระพุทธรูปตัวสันปากสันสักพักก็เริ่มสงบสติอารมณ์ได้ก็เลยถามคุณนา้าแต่คุณน้าตอบกลับมาบอกว่าเองไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดด้วยกันสรุปว่าคืน น, นั้นรุ่นพี่ก็ต้องนอนกอดพระพุทธรูปตัวสันทั้งคืนส่วนคุณน้าก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่แบบนั้นทั้งคืนนคะคะ พอตอนเช้ามาคุณนาก็ได้พารุ่นพี่คนนี้เนี่ยไปวัดซึ่งหลวงพ่อที่วัดท่านบอกว่าต้องให้มันอยู่ในโบสถ์สาวันไม่งั้นคงไม่รอดรุ่นพี่ก็เลยได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์หลวงพ่อท่านก็เอาสายศีลมาพันไวร้รอบๆบโบสถ์แล้วก็ขึงด้านในไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วคุณนาก็กำชับบอกนะคะว่าให้ทําตามที่หลวงพ่อบอกนะถ้ายังไม่อยากตายแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าถ้าเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรอย่าออกมานอกสายศีลอย่าออกมานอกประตูโบสถ์ ให้อยู่ภายในใบเสมาของโบสถ์เดี๋ยวจะให้พระกับเนนมาเฝ้าแม้แต่ช่วงกลางวันหลวงพ่อท่านก็บอกนะคะว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกมานอกโบสถ์ถ้าปวดก็ให้ใช้กระถนไปก่อนพอตกกลางคืนประมาณ3ามทุ่มเนะะี่ยารุ่นพี่บอกว่าได้ยินเสียงคนภายเรืออยู่ท่าน้ําหน้าวัดสักพักหนึ่งก็เงียบสักพักหนึ่งเสียงก็จะมาอีกเนนที่มาเฝ้าเนี่ยต่างก็เอาจีวรคุมโปรงแล้วก็นอนกอดกันตัวสั่นรุ่นพี่ก็เลยบอกกับเนนบอกว่าเนนลองเปิดหน้าต่างโบสถ์แล้วดูซิ ว่ามีคนมาพายเรืออยู่ที่ท่าน้ําหน้าวัดไหมเนร์ที่มาเฝ้าเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกผมกลัวไม่รู้ว่าใครพายอยู่ตรงนั้นก็ปล่อยให้เสียงมาอยู่ตรงนั้นแหละจนเข้าคืนวันที่3ค่ะซึ่งเป็นวันพระใหญ่พอดีวันนี้ก็มีทั้งพระทั้งเนรนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนหลายรูปแต่ว่าวันนี้นะฮะรุ่นพี่ขอให้เปิดประตูโบสเอาไว้เพราะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ที่มาพายเรืออยู่ที่ท่าน้ําวัดทั้งคืน คืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มค่ะเกือบเกือบเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงพายเหมือนเดิมนะคะรุ่นพี่ก็เลยหันไปมองที่ท่าน้ำวัดปรากฏคามบอกว่าเห็นหัวคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากท่าน้ำลักษณะเป็นคอยาวๆหน้าตบๆซีดๆดวงตากลวงโบพร้อมกับสยยยิ้มให้รุ่นพี่แล้วเสียงพายเรือนก็ดังอยู่ตลอดนะคะจนรุ่นพี่คนนี้ช็อกตัวแข็งอยู่กลางโบด พระกับเนนก็เลยรีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างแล้วก็รีบไปอยู่รวมกันที่กลางโบสเนนตะโกนลั่นโบสบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจนหลวงพ่อกับสับ ป, ปะเลิศได้ยินข้าวก็เลยรีบวิ่งมาหาพอหลวงพ่อกับสับ ป, ปะเลิศมาถึงโบสนะคะก็เห็นทั้งพระทั้งเนรเนี่ยนั่งกอดกันอยู่กลางโบสนะคะทีนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเลยก็บอกว่าคืนนี้เองพ้นแล้วละ่ะเขาไปเอาคนอื่นแล้ว ตอนเช้าของวันถัดมาคุณน้าก็ได้มาหารุ่นพี่ที่วัดแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงตายอยู่หน้าประตูเขื่อนเมื่อคืนจากนั้นหลวงพ่อก็ทําพิธีเรียกขวัญแล้วก็รดน้ํามนต์ให้ทั้งเนรทั้งพระแล้วก็รุ่นพี่นะคะคุณน้าบอกว่าคนที่ตายเป็นลูกสาวของคนรู้จกักไปพายเรือท่าไหนก็ไม่รู้โดนน้ํามันม้วนลงไปศพไปติดอยู่ที่หน้าประตูและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเรื่องราว ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาคุณโอ๊ตนะคะซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องนี้ก็อายุครบ20ปีพอดีก็ได้คุย ก, กันกับคุณพ่อถึงเรื่องที่ว่าจะบวชก็ตกลงกันว่าจะบวชที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นวัดใหญ่มากพอไปถึงก็ได้จัดพิธีบวชเสร็จแล้วทางบ้านของคุณโอ๊ตเนี่ยก็ได้เลี้ยงเพลนพระแล้วก็ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสเรื่องกุฏินอนคําถามแรกที่เจ้าอาวาสถามคุณโอ๊ตมาก็คือท่านกลัวผีไหม โดยส่วนตัวคุณโอดไม่เคยเจอผีมาก่อนก็เลยตอบไปบอกว่าไม่กลัวครับจเจ้าอาวาสก็บอกว่ามีกุฏิใหม่อยู่เอานี้ถ้านอนคนเดียวไม่ได้จะให้เนนไปนอนเป็นเพื่อนคุณโอดก็เลยตอบบอกว่าไม่เป็นไรครับผมนอนได้ก็เลยเดินไปดูที่กุฏิกันกุฏินี้เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่ถึงเดือนค่ะก็มีอยู่ชั้นเดียวสมห้องนอนตั้งอยู่หลังโบสถ์คุณโอดก็พิจารณาดูที่โบสถ์หลังนี้เหมือนเป็นที่เอาไว้เก็บอัฐิคุณโอดก็เลยเอาของเข้าไปไว้ในกุฏิแล้วก็ทําวัดเย็น จากนั้นก็มานั่งศึกษาบทสวดมนต์ที่กุฏิจนดึกก็ได้เข้านอนแล้วก็มาสะดุ้งตื่นกลางดึกค่ะเพราะว่าภายในห้องนี้มืดมากแล้วก็เงียบสนิทแต่ว่าด้านนอกกุฏิก็ปิดไฟหมดแล้วนะเป็นปกติของวัดต่างจังหวัดนะคะคุณโอ๊ก็เลยมองไปรอบๆให้สายตาปรับกับความมืดก่อนก็เลยเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างตั้งอยู่ที่ปลายเท้าลักษณะก็คือเป็นเงาดาๆค่ะคุณโอ๊คิดว่ามันคือพัดลมแต่ก็เหลือไปเห็นพัดลมอยู่ทางซ้ายมือ ก็เลยพยายามเพ่งมองดูดีๆแต่ก็พอจะมองออกนะฮะว่าเป็นผู้หญิงสักพักก็เริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างของผู้หญิงทั้งตัวเห็นว่าใส่กระโปรงค่ะแต่แล้วอยู่ๆเงานั้นก็พุ่งเข้ามาหาคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตตกใจกลัวจนตัวสัน่นขยับไปไหนไม่ได้สักพักหนึ่งพอเริ่มจะขยับได้ก็เลยลงจากเตียงแล้วก็พยายามเดินลากขาออกไปข้างนอกแล้วก็สงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งเนนก็เดินมาหา คุณโอ๊ก็รู้สึกโล่งใจเหมือนได้เกิดใหม่เนนก็เลยถามว่าหลวงพี่ออกมาทําไมหลวงพ่อให้ผมมานอนเป็นเพื่อนคุณโอ๊ตก็ไม่กล้าบอกนะคะว่าเจออะไรเพราะว่าเป็นพระถ้าบอกไปมันก็จะดูแปลกๆหลังจากคืนนั้นคืนที่สองค่ะก็เนนมาบอกว่าวันนี้มานอนด้วยตอนหัวค่าไม่ได้เพราะว่ามีงานศพจะไปฟังหลวงพี่เข า, าเทศกันคุณโอดก็เลยคิดว่าอา่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมาตอนดึกๆนอนคนเดียวไปก่อนก็ได้ หลังจากที่คุณโอ๊ตอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เข้านอนค่ะแล้วก็หลับไปได้ไม่นานก็รู้สึกตัวว่าตื่นขึ้นมาแต่ว่าขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนมีคนมาทับที่แขนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆที่ข้างหูแบบอะไรประมาณนี้นะคะคุณโอ๊ตตกใจรู้สึกว่าตัวเย็นวูบวาไปทั้งตัวสายตาก็พยายามมองไปทั่วแต่ก็ไม่เจออะไรค่ะพบเจอแต่ความมืดเสียงหัวเราะก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลา คุณโอ๊ตก็เหมือนกำลังถูกหอกล้อจากอะไรบางอย่างเลยพยายามอดกลั้นข่มความกลัวให้ได้มากที่สุดแล้วพูดในใจบอกว่าโยมถ้าโยมเป็นผู้หญิงโยมอย่ามาเบียดเบียนกันเลยอาตมาเป็นพระถ้าทำแบบนี้มันจะบาปนะหลังจากที่คุณโอ๊ตพูดเสร็จคือพูดในใจนะคะทุกอย่างก็เงียบค่ะคุณโอ๊ตก็นอนค้างอยู่แบบนั้นสักพักแต่ก็ขยับตัวได้นะคะก็เลยรีบวิ่งออกไปรอเนนอยู่ข้างนอกกุฏิ หลังจากที่คุณโอ๊ตอยู่ที่วัดนี้ได้ประมาณสัก4ี่วันก็อยากจะไปหาวัดที่สันโดษกว่านี้จึงได้ขอหลวงพ่อท่านว่ามีวัดไหนที่ส่งคุณโอ๊ตไปปฏิบัติได้ไหมหลวงพ่อท่านก็แนะนําวัดหนึ่งที่อยู่ตรงเชิงเขาท่านก็ได้พาคุณโอ๊ตไปคุณโอ๊ตก็ตกลงว่าจะอยู่วัดแห่งนี้แหละจอาจําวัดที่วัดนี้แหละก็ได้ศึกษาการทําสมาธิที่วัดแห่งนี้ต่อไปแต่ก็อยู่ได้ประมาณ2วันค่ะโยมพ่อก็ติดต่อมาบอกว่าให้ขึ้นน่า่นไปก่อนเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้ญาติทางฝั่งของโยมแม่ด้วย ที่วัดในจังหวัดน่านแห่งนี้คุณโอ๊ตเคยบวชภาคฤ ด, ดูร้อนได้15วันตอนที่เป็นสัมมาเนน คุณโอ๊ตก็ได้ไปคุยกับหลวงพ่อถึงเรื่องกุฏิว่าจะนอนที่ไหนดีแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลก็มีพระใหม่บวชอยู่3รูปพระที่นี่เนี่ยจะนอนรวมกันในวิหารแต่ว่าคุณโอ๊ตนี่อยากจะแยกออกมานอนเดี่ยวนะคะเพราะต้องการความสงบหลวงพ่อท่านก็เลยพาไปหาที่ที่เป็นห้องว่างเป็นลักษณะห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาค่ะปลูกอยู่หลังเดียวโดดๆอยู่ด้านหลังศาลาคุณโอ๊ตมองดูก็นึกถึงความทรงจําตอนสมัยเด็กได้นะฮะว่าตอนที่เป็นสัมมเนรได้มาวิ่งเล่นแถวนี้และพวกเด็กๆที่อยู่แถวนั้นบอกว่าอย่ามาวิ่ง แถวนี้เพราะผีมันดุคุณโอ๊ตก็คิดว่ามไม่เป็นไรคงไม่เจอหนักไปกว่าวัดแรกแล้วล่ะคืนแรกนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ทำวัดเสร็จแล้วก็เข้านอนที่นี่เงียบมากเงียบกว่าวัดที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะ คุณโอ๊ตก็นอนแบบหลับๆตื่นๆเพราะว่าไม่คุ้นที่สักพักหนึ่งก็จะได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ว่าจับใจความไม่ได้คุณโอ๊ตก็คิดว่าคงจะเป็นพวกผู้ใหญ่คุยกันถึงเรื่องจัดงานเทศกาลอยู่ในศาลาเพราะว่าใกล้ช่วงปีใหม่แล้วสักพักหนึ่งก็กลายเป็นเสียงสวสดมนต์ค่ะคุณโอ๊ตก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆ แ, แล้วก็กลายเป็นเสียงเอะอโครมครามเหมือนคนพังเก้าอี้จนคุณโอ๊ตเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืน คุณโอ๊ตบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนค่ะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในชนบทอีกที่วัดนี้จะมีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งคอยให้คําปรึกษาแก่คุณโอ๊ตในเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็วิปัสนาคุณโอ๊ตก็สังเกตได้นะคะว่าหลวงตาท่านเนี่ยจะไม่นอนที่กุฏิเพราะว่าช่วงประมาณสองทุ่มท่านจะเดินออกจากกุฏิคุณโอ๊ตก็เลยถามหลวงตาบอกว่าท่านหายไปไหนทําไมไม่อยู่กุฏิหลวงตาก็ตอบนะคะว่าอาตมาไม่นอนกุฏิ อาตมาจะไปนอนที่ศาลาเมนเผาศพคุณโอ๊ตก็เลยขอหลวงตาว่าอยากจะไปทําสมาธิอยู่กับหลวงตาที่เมนเผาศพด้วยจึงได้ย้ายของจากกุฏิที่อยู่บนกุฏิของตัวเองเนี่ยนะคะไปที่เมนเผาศพซึ่งตัวเมนอยู่กับวัดห่างกันได้ประมาณ200เมตรนะคะเป็นที่เผาศพเล็กๆแล้วก็มีศาลาอยู่ข้างๆ เวลานั่งสมาธินะคะคุณโอ๊ตแล้วก็หลวงตาก็จะไปนั่งตรงหน้าปล่องที่เผาศพหลังจากนั้นไม่กี่วันหลวงตาท่านก็ติดกิจนิมนต์ท่านต้องไปงานศพที่วัดข้างๆเพราะว่ามีพระมรณภาพท่านก็เลยบอกกับคุณโอ๊ตบอกว่าให้ช่วยพาเนรทำวัดด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีเนมาบวชใหม่นะคะ หลังจากที่ทำวัดกันเสร็จเนนก็นอนที่กุฏิส่วนคุณโอ๊ตก็ไปนั่งสมาธิที่หน้าปล่องเมนคนเดียวก็พยายามทำใจให้สงบที่สุดพอหลับตาได้สักพักหนึ่งก็สัมผัสได้ว่ามีคนเดินอยู่รอบๆตัวถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียงแต่ก็รู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่ถมลงบนพื้นจนสักพักหนึ่งนะคะก็ได้ยินเสียงคนปากรอนหินใส่ประตูอะของเมนเผาศพ ซึ่งเป็นเหล็กนะคะเสียงดังแกล้งแกล้งคุณโอดก็เลยเริ่มใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิก็เลยเริ่มหลุดก็เลยพยายามสงบใจแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ไม่ถึงนาทีนะคะก็รู้สึกว่ามีคนมาตบที่หัวไหล่แล้วก็บีบตอนนี้คุณโอ๊สะดุ้งสุดตัวใช้มือปัดออกทันทีแต่ก็ยังรู้สึกถึงแรงบีบอยู่ในจีวรคะ่ะจึงรีบถอดจีวรตรงส่วนหัวไหล่ออกแล้วก็เจอกับตะขาบตัวเท่านิ้วชี้ตกลงมาตาย คุณโอ๊ตก็คิดนะฮะว่าเขาอาจจะมาเตือนหรือเปล่าจนวันต่อต่อมาก็จะเห็นเป็นเงาดำๆมาเดินอยู่รอบที่เผาศพซึ่งคุณโอ๊ตบอกว่าเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันจนถึงวันศึกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาให้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำหรับคุณบอยนะคะเรื่องเขื่อนประตูผีแล้วก็คุณโอ๊ตนะคะสเดือน3วัดนะคะ ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังพระเจอผีของเรานะคะในช anel พระเจอผียังไงบีเองก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยพร้อมกับฝากเพจด้วยนะคะ w w w facebook o com slash พระเจอผีคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดถูกใจเพื่อที่จะคอยติดตามข่าวสารอัปเดต เรื่องราวใหม่ๆและก็ความเคลื่อนไหวนะคะที่จะมีมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบเผื่อว่าวันไหนติดภารกิจไม่ได้นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังหรือว่าไม่ได้มีการอัพไวลร่งหน้านะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นี้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ